ลักษณะของวิพัชวาธาจำแนกโดยเงื่อนไขการจำแนกแบบนี้คือมองหรือแสดงความจริงโดยพิจารณาเงื่อนไขประกอบด้วยข้อนี้เป็นวิพัชวาธาแบบที่พบบ่อยมากอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าถูกถามว่าบุคคลนี้ควครคบหรือไม่ถิ่นสถานี้ ควรเข้าเกี่ยวข้องหรือไม่ถ้าพระภิกษุเป็นผู้ตอบก็อาจกล่าวตามแนวบาลีว่าถ้าครบหรือเข้าเกี่ยวข้องแล้วอากุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมไม่ควรครบไม่ควรเข้าเกี่ยวข้องแต่ถ้าคบหรือเข้าเกี itor, ่ยวข้องแล้วอากุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญควรครบควรเกี่ยวข้อง อย่างอื่นๆในแนวนี้เช่นถ้าถามว่าภิกษุควรถือทุดงหรือไม่ท่านที่รู้หลักดีก็จะตอบว่าภิกษุใดถือทุดงแล้วกรรมฐานดีขึ้นภิกษุนั้นควรถือภิกษุใดถือแล้วกรรมฐานเสื่อมภิกษุนั้นไม่ควรถือภิกษุใดจะถือทุดงก็ตามไม่ถือก็ตามกรรมฐานก็จะเริญนทั้งนั้นไม่เสื่อม ภิกษุนั้นเมื่อจะอนุเคราะห์ชนรุ่นหลังคือเป็นแบบอย่างที่ดีก็ควรถือส่วนภิกษุใดจะถือทุ ด, ดวงก็ตามไม่ถือก็ตามกรรมฐานย่อมไม่เจริญภิกษุนั้นก็ควรถือเพื่อเป็นพื้นอุปนิสัยไว้ถ้ามีผู้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นอุเฉ ท, ทวาธะหรือไม่ ถ้าตอบตามพระองค์ก็ว่าถ้าใช้คำนั้นในความหมายอย่างนี้อย่างนี้ก็ใช่ถ้าใช้ในความหมายว่าอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่ใช่หรือถ้าถามว่าภิกษุที่ชอบอยู่ผู้เดียวจาริกไปรูปเดียวชื่อว่าปฏิบัติถูกต้องตามคาสอนของพระพุทธเจ้าใช่หรือไม่ก็ต้องตอบอย่างมีเงื่อนไขเช่นเดียวกัน ตัวอย่างทางวิชาการสมัยใหม่เช่นพิจารณาปัญหาทางการศึกษาว่าควรปล่อยให้เด็กพบเห็นสิ่งต่างๆในสังคมเช่นเรื่องราวและการแสดงต่างๆทางสื่อมวลชนเป็นต้นอย่างอิสระเสรีหรือไม่หรือแค่ไหนเพียงไรถ้าตอบตามแนววิพัชวาธาก็จะไม่พูดโพล่งหรือพรวดลงไปอย่างเดียวแต่จะวินิจฉัยโดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง คือหนึ่งความโน้มเอียงความพร้อมนิสัยความเคยชินต่างๆซึ่งเด็กได้สั่งสมไว้โดยการอบรมเลี้ยงดูและอิทธิพลทางวัฒนธรรมเป็นต้นเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นพูดภาษาทางธรรมะว่าสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลคือแนวคิดปรุงแต่งที่ได้สั่งสมแสบคุณเอาไว้อาจเรียกง่ายว่าพื้นของเด็กที่จะลั่นไป 2. โยนิโสมนสิการคือเด็กรู้จักใช้โยนิโสมนสิการอยู่โดยปกติหรือไม่และแค่ไหนเพียงไร่ 3. กัลยานมิตรคือมีบุคคลหรืออุปกรณ์ที่จะช่วยชี้แนะทางความคิดความเข้าใจเช่นแง่มุมในการมองอย่างถูกต้องต่อสิ่งที่พบเห็น หรือที่จะชักนำให้เด็กเกิดโยนิโสมนาสิการอย่างได้ผลอยู่หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการยานมิตรในครอบครัวในสื่อมวลชนนั้นๆหรือทั่วๆไปในสังคมก็ตาม 4. ประสบการณ์คือสิ่งที่ปล่อยให้แพร่หรือให้เด็กพบเห็นนั้นมีลักษณะหรือคุณสมบัติที่เราหรือยั่วยุเป็นต้น รุนแรงมากน้อยถึงระดับใดทั้งสี่ข้อนี้เป็นตัวแปรได้ทั้งนั้นแต่ในกรณีนี้ยกเอาข้อสี่ประสบการณ์ขึ้นตั้งเป็นตัวยืนคำตอบจะเป็นไปโดยสัสดส่วนซึ่งตอบได้เองเช่นถ้าเด็กมีโยนิโสมนสิการดีจริงๆหรือในสังคมหรือโดยเฉพาะที่สื่อมวลชนนั่นเองมีการลยะนานมิตร ที่สามารถจริงๆกำกับอยู่หรือพื้นด้านแนวความคิดปรุงแต่งที่เป็นกุศลซึ่งได้สั่งสมอบรมกันไว้โดยครอบครัวหรือวัฒนธรรมมีมากและเข้มแข็งจริงๆแม้ว่าสิ่งที่แพร่หรือปล่อยให้เด็กพบเห็นจะล่อเ้ายั่วยุมากก็ยากที่จะเป็นปัญหาและอาจหวังได้ว่าจะเกิดผลดีด้วยซ้าไป แต่ถ้าพื้นความโน้มเอียงทางความคิดกุศลก็ไม่ได้สั่งสมอบรมกันไว้โยนิโสมนสิการก็ไม่เคยฝึกกันไว้และยังไม่จัดเตรียมให้มีการยานามิตรไว้ด้วยการปล่อยนั้นก็มีความหมายเท่ากับเป็นการสร้างเสริมสนับสนุนปัญหาเหมือนดังว่าจะตั้งใจทำลายเด็กโดยใช้ยาพิษเบือ่อซช่นนั่นเอง